วัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไป mm hmm. การปฏิบัติธรรมะตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะกล่าวโดยปริยายคือนัยยะอะไรก็ตามกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือเรื่องของปานะกับภาวนา ปณะก็คือการลดละอาจจะพูดว่าความชั่วบ้างอาจจะพูดว่ากิเลศบ้าง อ, อาจจะทุกบ้างในกรณีเหล่านี้จะเห็นเลยว่าเป็นการพูดถึงเรื่องเดียวกันแต่วผู้ฟังสามารถเข้าใจด้วยบหารข้อใดก็จะใช้ข้อความเหล่านั้นเป็นเครื่องสื่อความหมาย อันนี้จริงความทุกข์เป็นเพียงผลซึ่งจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องเกิดมาจากเหตุแต่เมื่อสองสอนให้บุคคลละความทุกข์พอถึงขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะต้องสืบสาวไปถึงต้นเหตุของความทุกข์แล้วก็พยายามละที่เหตุตัว น, นั้นความชั่วนั้นเป็นเพียงอาการของกิเลสที่เกิดขึ้นจาก อกุศลและเจตนาที่เข้ามาปรุงแต่งใจแต่าการของความชั่วเป็นเรื่องที่ปรากฏง่ายเป็นรูปธปรรม ท, ที่เราเรียกว่าพูดชั่วทำชั่วคนก็มองเห็นโทษของการกระทำเหล่านั้นได้ชัดเจนพระเจ้า ก, ก็ทรงใช้คำว่าละชั่วตามพื้นฐานของผู้ฟังอีกระดับหนึ่งแต่ในกรณีที่ ผู้ฟังมีพื้นเพจริตอัตยาสายลึกซึ้งจริงๆสามารถเข้าใจแม้สิ่งที่เป็นนามนธรรมก็จะทรงใช้คำละกิเลสก้อนตัวกิเลสจึงเป็นเหตุให้อาการที่แสดงออกของบุญบุคคลชั่วและตัวความชั่วนั้นก็ให้เกิดผลเป็นความทุกข์จึงเป็นเรื่องเดียวกันและก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยของการอะไกัน หัวในการพูการแสดงก็หลากหลายออกไปตามพื้นเพจริตของค น, คนผู้ฟังเป็นประการสาคัญเรส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของภาวนาที่แปลว่าการกระทําให้มีให้เป็นขึ้นซึ่งกหมายความว่าเป็นการเพิ่มพูนส่วนที่เป็นกุศลได้ทำที่ยังไม่มีให้มีขึ้นที่ยังไม่เป็นให้เป็นขึ้น แต่ในวิหารการแสดงนั้นอาจจะทรงใช้คําว่าสร้างความสุขหรือจะพูดว่าสร้างความดีหรือจะพูดว่าบำเพ็ญกุศลธรรมก็ได้แต่โดยความหมายแล้วกุศลธรรมนั้นเป็นตัวปรุงแต่งจิตให้แสดงอาการออกมาดีเป็นกายดีเป็นว จ, จาดี การกระทําดีที่ปรากฏออกมาทางกายทางบัจจาซึ่งเป็นการสะท้อนมาจากจิตนั้นก็ทําให้คนในรักความสุขดังนั้นในกรณีนี้จะพูดช่วงไหนก็ได้เหมือนกันเป็นเพียงโวหารที่จะสอนให้บุคคลเกิดความเข้าใจตามสมควรแก่พื้นอัจฉิยาสายอินทร์บารมีของบุคคลดองนั้นเวลาบรรจบผลก็จะบรรจบในลักษณะเดียวกัน ตั้งแต่ละขั้นตอนจะเห็นได้ว่าจะในขั้นของศีลก็สงบระงับดับเวรภยัยจะใช้โวหารยังไงก็ได้แต่สงบระงับดับเวรภยัยจึงอาจจะพูดตามหลักที่ใช้อารรถธนาพระปริตรกันก็ได้คือเป็นความต้องการที่จะบำบัดขจัดสิ่งหลักๆที่ไม่เป็นที่ต้องการของบุคคลสามประการ จึงเราใช้คําว่าทุกภัยโรคคำว่าทุกขนั้นเป็นความทุกขอาจจะทางกายอาจจะทางใจภัยก็เหมือนกันภัยจากภายในภัยจากภายนอกโรคก็อาจจะเป็นโรคกายโรคใจนี่คือสิ่งที่บุคคลไม่ต้องการแต่การจะกระจัดทุกภัยโรคให้หมดไปสิ้นไปอย่างที่อย่างแท้จริงนั้นก็ต้องอาศัยขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติ ในชั้นของศีลก็สงบระงับดับทุกข์ภัยในชั้นหนึ่งชั้นของสมาธิก็สงบระงับดับทุกข์ภายในชั้นหนึ่งการของปัญญาก็ทําให้เกิดความสมบูรณ์ถ้าหากว่าศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์แต่เพราะพื้นฐานที่จะรับรู้และประพฤติปฏิบัติของบุคคลแตกต่างกันพระเจ้าตรึงจงใช้ในเบื้องต้นที่เราเรียกว่าศีขาบท สิกขาบทที่หนึ่งสิกขาบทที่สองเป็นต้นนั้นเราจะตั้งปัญหาถามว่าคําว่าสิกขาบทแปลว่าอะไรแล้วก็ตอบว่าแปลว่าแต่ละก้าวของการศึกษาเหมือนกับ ก, การก้าวขึ้นไปบนขั้นบันไดขึ้นไปก็ขึ้นไปทีละขั้นแตก่การขึ้นไปทีละขั้นนั้นเองก็ทําให้คนขึ้นไปอยู่บนที่สูงขึ้นซึ่งก็หมายความว่า ห่างไกลจากภัยอันตรายเพิ่มขึ้นแล้วก็ขึ้นไปโดยดั่งดับแต่เมื่อมองในแง่ของศิกขาบทบุคคลก็จะเห็นชัดว่าแต่ละข้นแต่ละก้าวของการศึกษานั้นต้องการจะให้เกิดการสงบระงับทุกภัยโรคนั่นเองแต่บุคคลเริ่มที่ตนเองก่อนแล้วก็เผื่อแผ่ออกไปทุกบุคคลอื่นอย่างน้อยที่สุด อย่างน้อยก็เพียงงดเว้นไม่กระทาสิ่งที่ก่อให้เกิดทุกข์ภัยโรคแก่บุคคลทั้งหลายดังนั้นบางครั้งเราจึงสรุปคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นปานะภาวนาแต่ในความคําว่าปานะและภาวนานั้นปาณะก็สิ่งที่จะต้องปานะนั้นเกิดสิ่งนี้ต้องละนั้นโดยจริงๆแล้วก็ละตัวเหตุ เราไม่ต้องการผลซึ่งเกิดมาจากเหตุเหล่านั้นส่วนที่เรียกว่าภาวนาคือต้องกระทําบําเพ็ญ น, นั้นงง ก, ททตก็ต้องลงมือกระทําที่ผลเพราะเราต้องการต้องลงมือกระทําที่เหตุแต่เราก็ต้องการผลที่เกิดขึ้นจากเหตุเหล่านั้นดังนั้นพอมองในแง่ของคําสอนไม่ว่าจะส่งสอนในวิธยได้ก็ตามก็จะมีเป้าหมายออกไปในลักษณะนั้น คือต้องการกาจัดทุกภัยโรคนั้นมองในแง่ละเราจะมองในแง่บำเพ็ญก็บอกว่าเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่บุคคลทั้งหลายนั้นมองในเชิงผลว่าคนต้องการสิ่งที่เกื้อกูลสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เกื้อกูลและสิ่งที่อำนวยความสุขให้แก่นตนแต่จะตั้งคําถามตามต่อไปว่าสิ่งนั้นคืออะไรก็คือความปลอดทุกปลอดภยัยปลอดโรคนั่นเอง พอทุก ป, ปลอดภัยปลอดโรคแล้วจะเป็นยังไงก็เป็นความสุขความสุขเป็นสิ่งที่บุคคลทั้งหลายหรือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลกนี้ต้องการนั้นด้วยหลักการเหล่านี้ก็คงอาศัยโครงสร้างอันเดียวกันนั่นเองอยางในกรณีของพระพุทธดำรัสที่จัดสรุปแก่พระตราวุฒามนบซึ่งได้กล่าวมาแล้วโดยลาดับนั้น ที่ทรงแสดงว่าผู้เห็นภัยในสังสารวัตรรู้อยู่ว่าสัตว์โลกทั้งหลายนั้นถูกเกี่ยวข้องหรือถูกปูกพันไว้ด้วยบ่วงของมนันจึงพยายามไม่ยึดมั่นถือมั่นในโลกทั้งหลายด้วยการเป็นผู้มีสติเชี่ยวไปในโลก คนี้ผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมก็จะเห็นภาพว่าพระพุทธธรรมรัตเหล่านี้ได้จัดแสดงหลักการประพฤติปฏิบัติที่ครอบคลุมผู้ต้องการความสุขในชั้นต่างๆเอาไว้ซึ่งก็หมายาความว่าใครก็ตามที่ต้องการให้ตนเองหลุดพ้นจากความทุกข์ประสบความสุขในฐานะนั้ น, น ก็จะต้องรู้สิ่งที่เป็นเหตุของความทุกข์และความสุขได้อย่างชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมองอาจจะมองทุกข์อาจจะมองความชั่วอาจจะมองกิเลสหรือมองสมุทัยก็ตามว่าเป็นเหตุแต่งความทุกข์เมื่อใจของบุคคลยังเกี่ยวข้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้ ก็เหมือนกับบุคคลตกจูภายใต้บ่วงของมนันของมัดจุในที่นี้สงช้กับมอมัดจุลักษณะของบ่วงมัดจุคือความตายนั้นเสังเกตว่ามันเหมือนกัตสัย์ที่เข้าไปในบ่วงและบ่วงจะรูดเมื่อไรก็ไม่รู้ชีวิตของบุคคลทั้งหลายในโลกก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเมื่อเกิดมาแล้ว ก็ตกอยู่ในบ่วงของความตายความตายแฝงเร้นติดมากับความเกิดและก็จะปรากฏตัวขึ้นมาเมื่อไหร่นั้นไม่มีใครกำหนดได้ัความตายจึงเกิดขึ้นแก่ชีวิตทุกลำดับแม้แต่เริ่มถือปฏิสนธิมาแล้วก็ตายไปได้อย่างที่พระูมพระเจ้าทรงสดแสดงแก่พระนรุตเทระว่า สัตว์ทั้งหลายบางพวกนั้นถือปฏิสนธิในคันมันดามันดายังไม่ทันรู้ว่าลูกมาถือปฏิสนธิก็ตายไปแล้วเพราะชีวิตทั้งหลายตายภายในคันทุกขั้นตอนจนกว่าจะคลอดออกมาได้หลังจะคลอดออกมาได้แล้วก็ตายได้ทุกๆวันซึ่งหมายความว่าคนก็ตกอยู่ในบ่วงของมัจจุราช ในการเรียนแนวนี้เป็นการมองคนอื่นก่อนมองเห็นคนตายสัตว์ตายญาติพี่น้องตายเพื่อนฝูงตายแต่เราไม่ตายแต่ก็น้อมกลับเข้ามาหาเราล้วตั้งปัญหาถามตัวเองว่าเราเราเป็นยังไงเราก็เป็นเช่นเดียวกับบุคคลเหล่านั้นตัตกอยู่ในบ่วงของมัจจุราชคือความตายเหมือนกัน แกจะปรากฏตัวขึ้นมาเมื่อไรไม่มีใครกำหนดได้ก็ด้วยความรู้สึกเหล่านี้เป็นการมองเห็นโทษเห็นภัยในชีวิตในสังสารวัฏและในทุกย่างก้าวที่ตนเดินไปหรือว่าในริยาบททั้งหลายก็เป็นเหตุให้บุคคลมองสิ่งทั้งหลาย ได้เป็นสองชั้นชั้นหนึ่งคือเป็นการถือครองเกี่ยวข้องในแง่ของสมมติสัจจะคือถือเครื่องถือครองเกี่ยวข้องอย่างที่สมมติบัญญัติกันแต่ในขณะที่ถือครองเกี่ยวข้องอย่างสมมติบัญญัติกันอยู่นั่นเองก็ไม่ได้ทุ่มตัวลงไปหรือปักใจลงไปทั้งร้อยเปอร์เซน์ว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างอื่น คือขอให้เป็นอย่างที่ตนอยากให้เป็นอย่าให้เป็นอย่างที่ตนไม่อยากให้เป็นเพราะถ้าปักใจในลักษณะนั้นก็จะมีปัญหาท่านนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าแม้ตนเองก็ไม่เป็นอย่างที่ตัวต้องการให้เป็นเสมอไปจะไปตั้งความหวังให้คนอื่นสัตว์อื่นสิ่งอื่นเป็นอย่างที่ตนต้องการให้เป็นได้อย่างไรดันั้นการเข้าใจถึงความจริง ในสิ่งทั้งหลายนั้นจะทําให้บุคคลถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นลงไปได้ที่ต้องใช้คาว่าความยึดมั่นถือมั่นในโลกทั้งปุ่นคำว่าโลกในความหมายนี้ไม่ได้หมายถึงโลกที่เราอาศัยอยู่เพียงอย่างเดียวเพราะโดยนิยามความหมายแห่งธรรมะแล้วคำว่าโลกก็คือสิ่งที่จะต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดาดังนั้นเราก็เรียกว่าโลกเมื่อมองจากความหมายทางรูปสั์ สิ่งทั้งหลายก็เป็นโลกโลกที่เราอยู่อาศัยอยู่แล้วแม้ดวงดาวในวงจั ก, กรวาลทั้งหลายก็เป็นโลกเพราะแกเองจะต้องแตกสลายไปสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นโลกแต่ละโลกคือแต่ละชีวิตแต่ละชีวิตนั้นก็เป็นโลกแต่ละโลกซึงจะต้องแตกสลายไปเหมือนกัน และสังขารทั้งหลายเองก็เป็นโลกแต่ละโลกเป็นโลกขนาดใหญ่เป็นโลกขนาดเล็กแต่โดยโดยครงสร้างแล้วจะพบว่าขนาดใหญ่ขนาดเล็กก็เป็นการย่อส่วนลงมาเท่านั้นเองเจ้อย่างที่ทรงแสดงว่าอายตนะโลกขันทะโลกอายตนะก็คือรูปเสียงกลิ่นรสปุถะพระธรรมารมณ์นั่นเป็นอายตนะภายนอกแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็เป็นโลกแต่ละโลก พอมาถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นโลกแต่ละโลกและในโลกแต่ละโลกนั้นจะมีโครงสร้างหลักเหมือนกันเช่นมาตาหูของบุคคล น, นั้นประกอบด้วยดินน้ำลมไฟอากาศโลกที่ใหญ่มาหึบมาซึ่งคนอาศัยอยู่ก็ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟอากาศเหมือนกันแต่เนื่องจากปริมาตรหรือขนาดมันแตกต่างกัน ดินน้ำลงไฟอากาศที่อยู่ในสถานที่นั้นจึงมีจํานวนไม่เท่ากันแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือมี ม, มีองค์ประกอบเหมือนกันอาจากความเข้าใจในลักษณะนี้อย่าทําให้บุคคลเข้าไปยึดถือสิ่งทั้งหลายในลักษณะเป็นผู้รู้คือเตรียมกายเตรียมใจพร้อมเอาไว้ทํานองอะไรทํานองอย่างที่ดัานใช้ว่า ของยืมเหมือนกับบุคคลยืมของคนอื่นเข้ามาไอความยึดถือความระมัดระวังก็จะใช้เพียงในกรณีที่เป็นของยืมเท่านั้นเองทุกวันเวลาใจก็กำหนดรู้อยู่ว่าพรุ่งนี้แล้วมรนนวระรืนนี้แล้วปรืนนี้แล้วแล้วจะต้องส่งเข้าไปเพราะฉะนพอได้ของเข้ามาก็กำหนดรู้ว่า หนึ่งวันแล้วสองวันแล้วสามวันแล้วสี่วันแล้วไอ้จุดที่จะต้องส่งคืนมันก็ใกล้เข้ามาทุกขณะพอถึงส่งคืนแล้วก็มีความสบายใจแทนที่จะรู้สึกเสียดายเพราะอะไรเพราะว่าเราเตรียมใจรู้ไว้แล้วแล้วในขณะที่เรายืมของเข้ามาไว้ จิตใจก็หวงวิตกกังวลกลัวของจะหายกลัวของจะแตกสลายกลัวของจะเสื่อมเสียกลัวกมวยจะรักไวเป็นต้นในประสงคืนก็ได้ก็สบายใจเพราะงั้นสิ่งทางหลายเหล่าอื่นถ้าหากว่าบุคคลอนะาศัยโครงสร้างความคิดเหล่านี้เข้าไปกําหนดระ ล, ลึกรู้ในแง่ที่เป็นเพียงของยืมเข้ามาหนึ่งวันแล้วสองวันแล้วสามวันแล้วเดือนหนึ่งแล้วปีหนึ่งแล้ว ก็ใกล้ที่จะคืนเข้าไปโดยลำดับแต่ว่าจริงเราก็คืนกันโดยลำดับอย่างความเปลี่ยนแปลงของร่างกายส่วนใหญ่ผลเก่าหลุดเก่าหลุดร่วงไปผลใหม่เกิดขึ้นแทนผมเก่าหลุดร่วงไปผใหม่เกิดขึ้นแทนเล็บเกา่าผาดไปเล็บใหม่เกิดขึ้นแทนเป็นตนน้นแต่อย่างนั้นก็คือเรื่องของการส่งคืนตาซึ่งเคยแจ่มายพระมัวไปหูซึ่งเคยฟังอะไรได้ยิน กับฟังไม่ค่อยถนัดสัญญาความจำเคยดีในสมัยเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ชักจะเดินลางไปชักเกเ่ลวเรื่องลืลืมไปนี่ก็แสดงว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมันเสื่อมสลายไปในความหมายคำว่าโลกแต่ถึงจุดหนึ่งเราก็จะต้องคืนเขาไปในความหมายคำว่าของหยุดการเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนกษัตริย์กับสิ่งของ จึงไม่ได้ผูกพันในลนักษณะเล็งผลเลิศว่าจะต้องเป็นอย่างที่ฉันต้องการให้แกเป็นอย่าเป็นอย่างที่ฉันไม่ต้องการให้แกเป็นหรือให้เธอเป็นในตัวยุ่งนั้นก็คือเรื่องที่เป็นอย่างนี้เองคือไปตั้งความหวังให้สิ่งที่ไม่อาจจะตั้งความหวังได้อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่า บุคคลมาบ่นเพ้อว่าลูกของเราทรัพย์ของเราปัญญาของเราบุตรของเราเลือกสวนไดนาของเราอะไรๆของเรามากมายแล้วก็จริงแม้ตัวเราก็ไม่ใช่ของเราไอสิ่งเหล่านั้นจะเป็นของเราไปได้อย่างไรทั้งของเราจึงเป็นเรื่องสมมุติอยู่อย่างผู้รู้เกี่ยวข้องอย่างผู้รู้แตกก็คือแตกจากก็คือจากได้มาก็คือได้มาใช้ประโยชน์ก็คือใช้ประโยชน์ โดยไม่ไปเอื้อมไปตั้งความหวังอะไรให้เกินจากความเป็นจริงและในที่สุดความยึดมั่นถือมั่นก็จะมีปัญญาเข้ากรรกับคือไม่ถึงกับไม่ไปยึดอะไรเลยแต่ก็จะมีปัญญาเข้ากรรกับรู้ว่าช่วงใดควรปล่อยช่วงใดควรวางช่วงช่วงใดควรบันเทาช่วงใดควรจะแบกเอาไว้จะเป็ น, ปนการปฏิบัติเคลื่อนไหวไปตามสมควรแก่กรณีนั้น ดังน้นเวลาเกี่ยวข้องกับคนกับสัตว์กับสิ่งของอะไรมันก็จะเกี่ยวข้องอย่างผู้รู้อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสุ ด, ดงให้เชิญชวนให้คนทัศนาโลกเคยให้คนมองโลกโดยทรงเชี่เห็นว่าโลกเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นแต่คนที่อยู่ในโลกนั้นจะมีอยู่สองประเภทถึงใช้ับว่าผู้รู้กับผู้ไม่รู้ผู้รู้นั้นจะได้ประโยชน์จากโลก อยู่ในโลกโดยไม่ติดโลกโดยไม่ข้องกับโลกโดยไม่เปื้อนกับอารมณ์โลกแต่คนไม่รู้นั้นจะหมกมุ่นบุญนวายอยู่ในโลกไปเปื้อนกับโลกไปเกี่ยวข้องกับโลกไปสกปรกกับโลกโดยประการต่างๆเป็นพระพุทธดํารัสที่ภัยราบมากว่าเธอทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุราชรถที่พวกคนเขาคล้องอยู่ แต่คนผู้รู้ไม่ได้คล้องอยู่โลกนั้นเป็นโลกเดียวกันคนมีอยู่สองประเภทคือรู้กับไม่รู้แล้วในรู้กับไม่รู้นั้นที่จริงก็ย่อยประเภทตัวเองออกไปรู้มากรู้น้อยไม่รู้มากไม่รู้น้อยจนถึงก็มืดบอดซึ่งมักจะใช้คำว่าฮีนมัจจิมะปณีตะคือหยาบกลางละเอียด แต่ละจุดนั้นก็มีหยาบมีกลางมีละเอียดเมื่อบุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีอยู่ในโลกนี้บุาคนมองโลกก็จะได้ตัวเลือกว่าเราจะเกาะกลุ่มกับพวกไหนก็เหมือนกับการเดินทางหรือการทัศนาจรหรืออะไรก็ตามมีการเสนอรายการกิจกรรมต่างๆออกไปมากมายเราก็มาอ่านมาศึกษา แล้วเสร็จแล้วก็ย้อนถามตัวเองว่าแล้วเธอจะไปทางไหนจะไปกับใครทำไมจึงไปในที่นั้นไปแล้วจะได้ประโยชน์อะไรการศึกษาเรียนรู้กลุ่มบุคคลสองกลุ่มในแนวนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นเพื่อบุคคลได้เลิกเดินเดินเอาว่าจะเดินตามใครไปจะตามผู้รู้โดยข้องติดโดยไม่ยอมข้องติดอยู่ในโลกหรือจะตามผู้ไม่รู้ ที่ต้องสยบติดอยู่ในลกก็มีตัวอย่างบุคคลที่เป็นรูปธรรมให้เห็นอยู่แล้วเพราะว่าบุคคลเหล่านั้นเรียกได้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติจึงอาจจะใช้จำนวนปัจจุบันว่าครบวงจรหมาควาว่ามีกุศลเจตนาและอกุศลแเจตนาเกิดขึ้นปรุงแต่งกิจแล้วมีการกระทาแล้ว จะรับผลเป็นความสุขความทุกข์ตามสมควรเก่กรรมแล้วถามว่าใครเดินตามท่านทั้งสองกลุ่มนั้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็จะรับผลในระดับใดระดับหนึ่งซึ่งระดับของผลนั้นก็ขึ้นอยู่กับระดับของเหตุที่เขาได้ประกอบกระทาลงไปการดำรงตนอยู่ในโลกท่ามกลางโลกที่ เราเห็นความจริงเข้าถึงความจริงในลักษณะนี้จะก่อให้เกิดธรรมะขึ้นอีกประการหนึ่งคือสติมาความมีสติดังนั้นจึงทรงแสดงว่าจะเป็นผู้มีสติเที่ยวไปในโลกมันเป็นเหมือนอะไร เป็นเหมือนกับบุคคลมองเห็นสถานที่ที่ตนจะไปว่าเต็มไปด้วยขวากน้าหลุมบ่อและอันตรายต่างๆแต่เราก็ต้องไปต้องเดินต้องเกี่ยวข้องกับสถานที่เหล่านั้นดังการเดินการไปในสถานที่เหล่านั้นจะมีสติระมัดระวังตลอดเรือไม่ได้หรือตัวอย่างในปัจจุบนันเห็นได้ชัดว่าในบางท้องถิน่ยนยี่มีกับระเบิดอยู่ อ, อาจจะไม่ต้องไกลถึงกับระเบิดแถวปราจีนบุรีก็ได้อาจจะมาเอาแถวมีขยะโครนตรมต่างๆมีที่เพื่อนสกปรกอยู่ก็ ร, รู้มันเพื่อนสกปรกแล้วก็เดินด้วยความระมัดระวังแต่ถ้ามืดมองไม่เห็นอะไรก็เดินไม่ได้รู้ว่าตรงไหนเป็นอะไรเยียบถูกเหยียบผิดไปตามเรื่องนี่ก็คือสิ่งที่เป็นรูปธรรมเป็นความเคลื่อนไหวของธรรมะที่เป็นรูปธรรมเป็นตัวอย่างให้เห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ นั้นโดยหลักปฏิบัติที่เรียกว่าเป็นผู้มีสติเที่ยวไปในโลกศาสตราจารย์ท่านได้แสดงว่าให้บุคคลมีสติระลึกอยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมแต่แน่นอนภารกิจของบุคคลนั้นจะมานั่งจเจริญกรรมฐานอยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมเพียงอย่างเดียวก็เป็นไปไม่ได้ แต่ยามใดที่ปร่งปลอดจากการงานถึงตนจะต้องจัดจะต้องทำก็มีสติระ ล, ลึกดูอยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมแต่ถ้ามองในแง่ของความหมายก็จะเห็นได้ว่าการมีสติในแนวนี้ก็มีสติได้ทุกอย่างเพราะในวัตถุสิ่งของทั้งหลายนั้นก็คือพวกกายหรือพวกรูป เวลาเรางานก็มีสติระ ล, ลึกรู้อยู่ตรงนั้นรับประทานอาหารปรุงอาหารซักผ้ารีดผ้าถูพื้นเช็ดพื้นอะไต่างๆมีสติตามอยู่ในอิรยาบถเหล่านั้นแม้แต่การเดินก็มีสติในการเดินการคู่แขนการเหยียดแขนการกืนข้าวกินอาหารการอาบน้ําการถูตัวเขียนหนังสืออ่านหนังสือมีสติระ ล, ลึกตามไปตลอด เป็นการเพิ่มพูนสติของตัวเองให้มากขึ้นในยามว่างจากอารมณ์แทนที่จะไปคว้าอารมณ์มาปรุงคิดมาคิดปรุงเผาลนใจของตัวเองให้เดือดร้อนก็มีสติระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกโดยคุมความคิดไว้ที่ลม จิตก็จะไม่ตกไปสู่กระแสของอกุศลวิตพุกดังนั้นก็อยู่กับหลบสติของบุคคลเหล่านั้นก็จะเพิ่มผูนมากกิ่งเข็นแต่เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดมลทินใจก็คือว่าสตินั้นมักจะไปเหนียวนึกในสิ่งที่ก่อให้เกิดความเล่าร้อนไปควยคว้า อารมณ์ที่ยังไม่มาถึงไปพร่ำเพ้อถึงอารมณ์ที่ผ่านมาแล้วแทนที่จะให้อยู่ด้วยอารมณ์ของปัจจุบันตอนนี้พระผู้มพภักเจ้าทรงแสดงไว้เป็นใจความว่าคนตั้งหลายนั้นย่อมซบเซาย่อมเหี่ยวเฉาไปเพราะการที่บ่นเพ้อถึงเรื่องของอดีต และคอยคว้าปรารถนาอนาคตโดยทอดทิ้งสิ่งที่เป็นปัจจุบันถึงว่ากันตามหลักของความเป็นจริงแล้วอดีตก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วอนาคตเป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดแล้วก็ไม่เคยเกิดไดยทั้งไปเพราะยามแกเกิดขึ้นมาแกก็เป็นปัจจุบันได้ทุกทีปัจจุบันจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเป็นผลประโยชน์ที่บุคคลจะต้องใช้ แล้วสามารถจะใช้ได้ขึ้นอยู่กับ ว, ว่าเขาจะมีสติสัมปชัญญะในการใช้ปัจจุบันธรรมที่เกิดขึ้นระดับไปเกิดขึ้นระดับไปได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรเพราะการเกิดดับของการเวลานั้นมันก็เหมือนกับการเกิดดับของลมหายใจเหมือนกับการเกิดดับของกระแสน้ำกระแสไฟต่างๆแกมาให้ใช้ถ้าไม่ใช้แกก็ไป ผู้มีสติก็จะใช้เวลาและโอกาสที่มาถึงเข้าเหล่านั้นให้มีความสงบอยู่กับอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความสงบอาจจะเป็นการไหว้พระสวดมนต์อาจจะเป็นการเจริญกรรมาฐานโดยกําหนดดูลมหายใจเข้าหายใจออกหรื อ, อ จ, จะทํางานอดีเรกที่ไม่ก่อให้เกิดความกระน่ขัดเคื่ยวหรื อ, อ จ, จะหยุดความคิดของตัวเองเอาไว้เป็นต้น แต่อย่างนั้นชื่อว่าเป็นการอยู่อย่างมีสติเป็นปฏิปทาที่จะนําผู้ประพฤติปฏิบัติได้เดินตามรอยของท่านผู้รู้และผลที่เกิดขึ้นจากความรู้นั้นก็จะขจัดบันเทาเหตุแต่งความทุกข์ให้เจอจางเบาบางลงไปความสุขก็จะเกิดขึ้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทําความสงบสืบต่อไป